บทที่20ความลับท่านพระครูเดินเข้ากรุงเทพเพื่อแสดงธรรมที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศตามที่ทางโรงเรียนนิมนต์นอกจากครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนแล้วยังมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมฟังธรรมด้วย หอประชุมซึ่งแน่นขนัดอยู่ด้วยผู้คนทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงหัวข้อธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนี้ก็คือการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรเมื่อท่านแสดงธรรมจบลงก็มีผู้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องจริงเหรอครับหรือว่าคนเขาแต่งขึ้นครับสมภารวัดป่ามะม่วง ไม่รู้สึกแปลกใจที่เขาถามเช่นนั้นท่านเองก็สมัยที่เป็นเด็กยังเคยพูดกับโยมยายว่ายายเรื่องพระเวสสันดรโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านไม่เชื่อเรื่องพระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องจริงในเวลาต่อมาท่านจำเป็นต้องเชื่อเพราะจานวนต่อหลักฐานเป็นเรื่องจริงสิโยมไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้น ท่านตอบแล้วมีหลักฐานหรือเปล่าครับผมหมายถึงหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระเวสสันดรมีตัวตนอยู่จริงมีสิโยมอาตมาเคยคุยกับพระสิงห์ลในถ้มบนเขาสิกิริยาท่านบอกว่ายังมีหลักฐานเหลืออยู่คือบรรณศาลากับต้นนารีผลสิบหกต้นนารีผลคืออะไรครับ คือมักกะลีผลและมักกะลีผลคืออะไรครับเขาถามอีกคือต้นไม้ที่พระอินทร์เนรมิตขึ้นมาเป็นต้นไม้พิเศษออกดอกออกผลเป็นหญิงสาวสวยโสภาอาตมาเคยเห็นมาแล้วหลวงพ่อเคยเห็นที่ไหนครับคนถามไม่อยากจะเชื่อในถ้ำบนเขาสิคิริยาประเทศศรีลังกา เมื่อปีพุทธศักราช 2,415 แสดงว่านารีผลมีจริงใช่ไหมครับจริงสิโยมและตอนนี้จะหาดูได้ที่ไหนละครับที่วัดป่ามะม่วงท่านเผลอบอกความลับที่ปกปิดมาหลายปีอย่างนี้นี่เองคนที่เขาพูดกันว่าความลับไม่มีในโลกหรอครับนั้นพรุ่งนี้ผมจะพาพักพวกไปพิสูจน์ เขาตอบอย่าไปเลยโยมอาตมาไม่เคยบอกให้ใครรู้ท่านติงถ้าไม่ไปแล้วผมจะเชื่อได้อย่างไรล่ะครับว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงโยมก็คิดซึว่าอาตมาพูดเล่นหลวงพ่อเป็นพระจะพูดเล่นได้อย่างไรล่ะครับไม่รู้ละพรุ่งนี้ผมจะพาพักพวกไปดูหลวงพ่ออย่ามาห้ามผมเลย ท่านพระครูเห็นท่าทางเขาเอาจริงเอาจังจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะตรวจสอบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเห็นหนอรายงานว่าบุรุษผู้นี้เป็นลูกชายในธนาคารชื่อดังของเมืองไทยที่สำคัญคือเขาเป็นคนไม่มีพิษภัยแก่ใครเพียงแต่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งเร้นลับเท่านั้นรู้ดังนี้แล้ว ท่านก็ค่อยโล่งใจนอกจากลูกชายในธนาคารใหญ่แล้วยังมีผู้ที่สนใจอื่นๆที่มาซักถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเวสต์ดอนชาดกซึ่งท่านก็อที่บายโดยยกหลักฐานในพระไตรปิฎกมาแสดงบุรุษผู้หนึ่งเดินออกมาที่ไมโครโฟนแนะนำตัวเองอย่างเป็นงานเป็นการว่ากระผมด็อกเตอร์ศักดาปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัย เขาเอ่ยนามมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่พระคุณเจ้าบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรผมเชื่อว่าพระเวสสันดรมีจริงแต่ผมไม่ศรัทธาในการกระทําของพระเวสสันดรหรือแม้แต่การกระทําของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผมก็ไม่ศรัทธาผมเป็นคนรักลูกรักเมียจึงรับไม่ได้ที่พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกทิ้งเมีย เพราะเห็นแกประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนออีกครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมาจากไหนและท่านก็ได้ทราบว่าบุรุษนี้เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแต่ในทางโลกทว่าในทางธรรมเขาอยู่ในประเภทมืดบอดไม่ว่าท่านจะอธิบายอย่างไร ก็ไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้แต่ท่านก็จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะจะทำให้คนที่คิดอย่างเดียวกับเขาเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ส่วนด็ตอร์ผู้นี้มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นพวกน้ำชาล้นแก้วที่ไม่สามารถจะเติมอะไรลงไปได้อีกเล็งเห็นประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับ ท่านจึงพูดเป็นงานเป็นการบ้างว่าญาติโยมทั้งหลายถึงอาตมาจะไม่ไดเรียนสูงไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่อาตมาก็ได้ศึกษาพระศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจนมีความรู้พอที่จะสอนผู้อื่นได้ โดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรที่อาตมาบรรยายในวันนี้โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าพระเวสสันดรหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะคนเห็นแก่ตัวจะไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ท่านยอมเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์และความสุขของส่วนรวมท่านรักลูกรักเมียเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าท่านไม่ยอมสละก็จะพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปการเวียนตายเวียนเกิดเป็นความทุกข์ท่านต้องการจะหาทางดับทุกข์ก็จึงยอมสละแม่ลูกเมียซึ่งคนธรรมดาไม่อาจทาได้ ในที่สุดท่านก็ประสบความสําเร็จคือท่านเข้าถึงความดับทุกข์แล้วก็สามารถซ้อนผู้อื่นให้เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยความเพียรพยายามของแต่ละบุคคลนอกจากจะสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็ลูกเมียแล้วท่านยังสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษยชาติโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะอีกด้วยแต่ผมรับไม่ได้ ถึงยังไงผมก็คิดว่าท่านเห็นแก่ตัวผมเป็นคนรักลูกรักเมียผมทำอย่างนั้นไม่ได้คนเป็นด็อกเตอร์ยังคงยืนยันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเขามีแต่โลกิยาปัญญาส่วนโลกุตระปัญญาหามีไม่สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงเรียบว่าคนที่ทำได้อย่างนั้นต้องเป็นมหาบุรุษ บุรุษ ธ, ธรรมดาไม่สามารถทำได้บุรุษอีกผู้หนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวรับรองว่าจริงครับผมเห็นด้วยกับท่านบ้าพระเวสสันดรและเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้เขาอยากจะพูดต่อว่า ตอให้จบด็อกเตอร์ก็ทำไม่ได้แต่ก็ไม่พูดเพราะไม่อยากมีเรื่องราวกับใครอาจารย์หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นเดินไปที่ไมโครโฟนพูดเสียงเครือว่าพระเดชพระคุณที่เคารพดิฉันรู้สึกซาบซึง้งและซาบซึ้งในการบรรยายของท่านดิฉันคิดไม่ดีกับพระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะมานานวันนี้พระเดชพระคุณทาให้ดิฉันตาสว่าง ลาบบาปอันเกิดจากการคิดผิดสียได้ดิฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้เกิดใหม่หากไม่ได้มาฟังธรรมในครั้งนี้ดิฉันคงเป็นคนบาปบาปหนาสามานต่อไปอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติดิฉันเป็นหนี้บุญคุณของพระเดชพระคุณเป็นอย่างมากและจะหาโอกาสตอบแทนในวันข้างหน้านะเจ้าคะอาตมาขออนุโมทนากับโยมอาจารย์ด้วยท่านรู้ ว่าเธอเป็นอาจารย์เพราะชุดเครื่องแบบสีกากีที่สวมอยู่การแสดงธรรมในครั้งนี้มีผลทำให้คนฟังที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเวชจันดรดอและเจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงมีบุคคลเดียวที่ไม่ยอมเข้าใจให้ถูกต้องคือบุรุษที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเขายังมีกรรมที่จะต้องเวียนว่ายในวัฏจักรชีวิตไปอีกนานแสนนาน ระหว่างนั่งรถกลับวัดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับสิก้นกุติผู้ซึ่งทำหน้าที่ขับรถว่าเสียท่าเลยนะสมชายเอ้ยวันนี้ฉันเสียท่าลูกชายในธนาคารเขาแล้วหลวงพ่อไปพลาดท่าเสียทีอะไรเหรอครับนายสมชายถามเขานอนเอาแรงอยู่ในรถจึงไม่ได้ไปร่วมฟังท่านบรรยาย ฉันเปิดเผยความลับที่เก็บไว้หลายปีนะสิถูกเขาหลอกถามหน่อยเดียวความลับแตกเลยความลับอะไรหระครับในสมชายถามเขาเป็นสิทิ์ก้นกุฏิจำต้องรู้เรื่องราวทุกอย่างของท่านเป็นความลับที่เธอเองก็ยังไม่รู้ฉันอุตส่าห์ปิดมานานไม่น่าเสียท่าลูกชายในธนาคารเลยเสียท่าหมด หลวงพ่อยิ่งพูดผมยิ่งอยากรู้ความลับอะไรล่ะครับอย่าเพิ่งรู้เลยรับรองว่าพรุ่งนี้เธอจะได้รู้เพราะพรุ่งนี้พวกเขาจะพากันแห่มาดูความลับของฉันท่านนึกเห็นภาพเขามาดูความลับก็ให้เขาดูเถอะครับยังดีกว่าเขามาดูของลับ เกิดก็ามาขอดูของลับหลวงพ่อจะให้เขาดูไหมครับนี่เอ็งชักจะทะลึ่งมากไปแล้วนะให้รู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างฉันเป็นใครเธอเป็นใครท่านพูดเสียงดุแตน่นสมชายก็รู้ว่าท่านพูดไปอย่างนั้นเองจึงพูดอีกว่าหลวงพ่อครับผมขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อสักข้อหนึ่ง หลวงพ่อกรุณาตอบผมด้วยนะครับกอถามมาสิแต่ฉันไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่าถ้าหลวงพ่อตอบไม่ได้แล้วใครจะตอบได้ในจั ก, กรวาลเนี้ยผมว่าหลวงพ่อเป็นหนึ่งสิทธ์แกล้งยกยออย่ามัวพูดมากอยากถามอะไรกอถามมาคือผมขอกราบเรียนถามว่าความลับ ของลับมันต่างกันอย่างไรท่านพระครูตอบทันทีว่าฉันไม่รู้คำถามทะลึง่งทะลึ่งอย่างเนี้ยฉันไม่รู้แต่ถึงรู้ก็ไม่ตอบไม่ทะลึ่งหรอกครับเขาเรียกว่าสัปปะโดนส่วนหลวงพ่อไม่เคยได้ยินได้ฟังมาหรอครับที่คนเขาพูดกันว่าสัปปะโดนวัลนิจจิตแจม่มใสผมอยากมีจิตแจ่มใสเบิกบานนะครับ เชิญสั ป, ปดาลไปคนเดียวก่็แล้วกันฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกประเดี๋ยวจะทําให้สมณะเพจของฉันมัวหมองไม่มัวหมองหรอกครับพระหลวงพ่อเป็นบุคคลที่สิ้นความมัวหมองแล้วไม่มีใครหรืออะไรทําให้หลวงพ่อของผมมัวหมองได้นี่เลิกพูดเรื่องไรสาระเสียทีพูดเพ้อเจอ้อก็เป็นบาปนะเข่าขายว่าจีทุจริต ข้อสัมผัพปลาปะวัจีทุจริตอะไรครับแล้วลาปะลาอะไรหนะแปลว่าอะไรในสมชายไม่รู้จริงๆท่านพระครูจึงช่วยสงเคราะห์ด้วยการอธิบายว่าวัาจีทุตจริตก็หมายถึงประพฤติ ช, ชั่วทางวาจามีสี่อย่างได้แก่มุสาวาดพูดเท็จปิสุนาวาจาพูดสอเสียด พุทสวาจาพูดคำหยาบและสัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อเหมือนที่เธอกำลังพูดอยู่นี่ไงหรอครับหลวงพ่อหาว่าผมกำลังพูด ger, เพ้อเจ้อหรอครับฉันไม่ได้หาว่าแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรทั้งนั้นแต่ก็พูดตรงไปตรงมาตรงกับข้อเท็จจริงฉะนั้นจงหยุดพูดได้แล้ว ครับผมจะหยุดแต่ก่อนจะหยุดก็จะขอเฉลยปัญหาที่หลวงพ่อไม่ยอมตอบทั้งที่ผมรู้ว่าหลวงพ่อตอบได้แต่ในเมื่อหลวงพ่อไม่ยอมตอบผมจะยอมเฉลยแล้วถ้าฉันไม่ยอมฟังละ่ะหลวงพ่อไม่ยอมไม่ได้หรอกครับในเมื่อผมยอมเฉลยหลวงพ่อก็ต้องยอมฟัง แต่ถึงไม่ฟังก็ต้องได้ยินอย่างไม่มีทางหลีเกเลี่ยงเอาเป็นว่าหลวงพ่อไม่ต้องฟังก็ได้แต่จะไม่ให้ได้ยินคงไม่ได้เพราะในสมชายเขาเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดเห็นอาจารย์ไม่ว่ากระไรสิทธิจึงพูดว่าความลับกับของลับต่างกันตรงที่ความลับนั้นเมื่อถูกเปิดเพียงครั้งเดียวก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไป ส่วนของลับนั้นจะถูกเปิดกี่ครั้งกี่หนก็ยังเป็นของลับอยู่นั่นเองเอาละเมื่อเธออยากพูดเรื่องของลับฉันก็จะพูดให้ฟังคือคนทะลึ่งทะเล่นอย่างเธอน่ะใช่ว่าจะมีแต่สมัยนี้เท่านั้นสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันนี่ฉันไม่ได้พูดเองนะมีในพระไตรปิฎกด้วย แต่ฉันจําไม่ได้ว่าอยู่เล่มไหนถ้าเธออยากรู้ว่าหลังจะค้นให้ผมไม่อยากรู้หรอกครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการแต่ก็อยากรู้ว่าคนที่ทะลึ่งทะเล่นอย่างผมนะ่ะเป็นอย่างไรแค่รู้ว่ามีแบบผมอยู่ในโลกผมก็ดีใจแล้วครับใหญ่สิเธอจะรู้สึกว่ามีเพื่อนไงมีมากเสียด้วย นี่ถ้าฉันไม่ได้บวชก็คงไม่แพ้เธอหรอกตอนเป็นนักเรียนฉันซนมาแล้วก็ทำอะไรแผลงๆท่านนึกถึงตอนเอาไม้แห่ร่องกระดานขึ้นมาจากได้ถุนโรงเรียนจนครูร้อยช่างต้องร้องไห้ไปฟ้องครูใหญ่แล้วท่านก็ถูกไล่ออกสมความมุ่งหมายหลวงพ่อเล่าสิครับสมัยพุทธกาลมีคนทะลึ่งทะเลนเหมือนผมยังไง ผมอยากฟังเรื่องสมัยพุทธกาลมากกว่าอยากฟังเรื่องของหลวงพ่อเพราะฟังมาจนเบื่อแล้วเขาพูดตรงไปตรงมาเรื่องก็มีอยู่ว่ามีตะพรามคนหนึ่งแกเห็นลักษณะของพระพุทธเจ้าก็รู้ทันว่าเป็นลักษณะของมหาบุรุษ ที่เรียกว่ามหาบุริษลักษณะซึ่งมี32ประการที่นี่แกก็อยากรู้ลักษณะสิบของพระพุทธเจ้าลักษณะมหาบุรุษ32ประการมีอะไรบ้างครับถ้าเธออยากรู้ทั้งหมดฉันคงต้องเปิดตำราตอบแต่ถ้าอยากรู้แค่สิบประการฉันสามารถตอบได้เดี๋ยวนี้งั้นผมรู้แค่1ิบประการก็ได้ครับ ท่านพระครูอธิบายลักษณะส0ประการในสาสองประการดังนี้หนึ่งสุ ป, ปะติดิตะปาโทมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันสองเหตฐาปาถะตะเลสุจาการนี้ชาตานี้ลายพื้นพระบาทเป็นจักสอายะตะปันิมีส้นพระบาทยาว 4. ทีคังคุลิมีนิ้วยาวเรียวหมายถึงนิ้วพระหัตและก็นิ้วพระบาทด้วยหมุทุตละนหันถะปาโทฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. ชาลหัตถะปาโทฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทลายดุจตาข่าย 7. อุสังกะปาโต มีพระบาทเหมือนสังขวมอักฐิข้อพระบาท ต, ตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกรอกได้คล่องเมื่อทรงดำเนินผิดจากสามัญชน 8. เอนิชังโคพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทราย 9. ทิตตะโกวะอโนณมันโตอุโพหิปานิตะเลหิฉนุกานิประรามะสติ เมื่อยือนตรงพระหัตถ์ทั้งสองลูกจับถึงพระชานุสิบโกโหิตะวัถทะคุยยะโหมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักท่านพระครูอธิบายมาถึงข้อสิบนสมชายจึงพูดขึ้นว่าผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามหาปริษลักษณะเป็นอย่างไรหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ครบสาสิสองลักษณะเถอะครับเพื่อผมจะพอนึกภาพออก ท่านพระครูจึงจำต้องพึ่งเห็นหนอมาช่วยอธิบายลักษณะสามสิบสองประการที่เหลือดังนี้สิบเอ็ดสุวรรณวันโนมีชวีดุดสีทองสิบสองสุขุมัชวีพระชวีละเอียดทุลีละอองไม่ติดพระกายสิบสามเอกเ ก, กโลโมมีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ขุมละเส้น 14. อุทธัตคาโลโมเส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษินาวาัตมีปลายงอนขึ้นข้างบน1ิบหพระมุชุคัตโตพระกายตั้งตรงดุดเท้ามหาพรหม 16. สัตตุสทโทมีพระมังสาอูมเต็มในที่เจ็ดแห่ง คือหลังพระหัตถ์ทั้งสองและหลังพระบาททั้งสองพระอังษาทั้งสองกับลำพระสองสิบเจ็ดสีหะปุพพทกายโยมีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์ดุจกึ่งทอดหน้าพญาราชสีสิบแปดปีตันตรังโซพระปลิดสดางราบเต็มเสมอกัน สิบเก้านิโครธาปะริมันทะโลส่วนพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไซท่านพระครูกำลังจะพูดถึงข้อที่ยี่สิบนายสมชายก็ขัดขึ้นว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเอาไว้แค่ข้อสิบเก้าก่อนเถอะครับผมอยากรู้แต่เพียงว่า คนสมัยพุทธกาลทะลึ่งทะเล้นเหมือนผมยังไงที่หลวงพ่อว่าตาพรามคนหนึ่งไดอยากรู้ลักษณะสิบของพระพุทธเจ้านะครับงั้นเธอก็บอกมาซิว่าลักษณะที่สิบที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยคืออะไรผมจําบาลีไม่ได้ครับจําได้แต่ภาษาไทยว่ามีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักอะไรคือพระคุยหะล่ะครับ พระคุยหะก็คืออวัยวะเพศตาพราหมณ์กอยากเห็นอวัยวะเพศของพระพุทธเจ้าว่าเข้าลักษณะมหาบุริษลักษณะสาสสองประการหรือไม่แล้วเกได้เห็นไหมครับถามอย่างอยากรู้ได้เห็นสิพระพุทธองค์ทรงสแสดงปฏิหารด้วยการเนรมิตกายเปลือยเปล่าเพื่อให้เข้าหายข้อคล่องใจ เธอเห็นหรือยังว่าพระองค์ทรงมีพระกรุณามากมายเพียงไรเห็นแล้วครับและผมก็อยากให้หลวงพ่อกรุณาต่อผมเช่นนั้นบ้างคนขับรถยังคงทะลึง่งทะเล่นต่อไป